พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุ ด, ดีบทที่139ข้อ1ถึงข้อ18ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุก ข, ขึ้นพระองค์ทรงทราบ พ, พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระอ ง, งค์ทรงค้นวิธีของข้าพระองค์ และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงร้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึง ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะติดปีกบิดแสงอรุณและอาศัยอยู่ในส่วนของทะเลไกโพน แม้ถึงที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงนำข้าพรองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ยึดข้าพรองค์ไว้ถ้าข้าพรองค์จะว่าขอเพียงความมืดจงบังข้าไว้และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็นกลางคืนสาหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็แจ้งอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่าง พระรองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพรองค์พระองค์ทรงทอข้าพรองค์เข้าด้วยกันในคารมานดาของข้าพรองค์ข้าพรองค์โมทนาพระคุณพระองค์พระพรองค์ทรงกระทําให้ข้าพรองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์พระองค์ทรงทราบข้าพรองค์ดีเมื่อข้าพรองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายใน ที่ลึกแห่งโลกโครงร่างของข้าพรงไม่ปิดบังไว้จากพระองค์พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์วันทั้งหลายทุกๆวันที่กําหนดให้ข้าพระองค์นั้นก็ทรงจารึกไว้ในพระตํำรับของพระองค์เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าพระดํำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ รวมกันเข้าก็ภัยสาล น, นักหนาถ้าข้าพรองค์จะนับก็มากกว่าเม็ดทรายถ้าข้าพรองค์ตื่นขึ้นข้าพรองค์จะยังอยู่กับโประงค์ขอบคุณพระเจ้านะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่เราเตรียมตัวรับเสด็จวันนี้เราจุดเทียนสีเหลืองนะครับ เป็นเทียนแห่งทูตสวรรค์พี่น้องครับเราทุกคนนั้นมีวัยเด็กและหลายหลายท่านหลายหายคนวัยเด็กที่ผ่านมานั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นวัยที่เราจะชื่นชมชื่นชอบนักมีคนคนหนึ่งครับเขาเขียนอย่างนี้ตอนผมเป็นวัยเด็กคนที่ใกล้ชิดกับผมคิดว่าพวกเขาจะกระตุ้นให้ผมเรียนเก่งขึ้นทำงานเก่งขึ้นโดยการพูดซ้าๆว่าทาไม เธอถึงโง่อย่างนี้ทำไมเธอถึงโง่อย่างนี้นะอันนี้คือเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับรวมทั้งผมด้วยคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่หวังดีเนี่ยใช้วิธีนี้ในการกระตุ้นนะครับถามว่าเกิด ผ, ผลดีไหมคนเขียนเขียนต่อไปว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีผลต่อผมจนถึงวันหนึ่งเมื่อผมเป็นวัยรุ่น และได้ยินคนที่อยู่ข้างหลังตะโกนว่าไอ้โง่ผมหันกลับไปทันทีเอ๊ะใครเรียกเราเนะี่ยพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นตอ น, นเด็กๆมันก็ฝังใจจนเราโตและคำพูดในเชิงลบก็ทำให้พวกเราหลายๆลายคนนั้นจมอยู่ในความขมขื่น ในใ น, ในรากที่เราไม่สามารถเตะดึงตัวเองออกไปได้ผู้ชายคนนี้ได้เขียนต่อครับ <c oughs> การที่ผมได้รู้จักพระเยซูองค์พระผู้ช่วยรอดและจอมเจ้านายทำให้ผมคิดได้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างผมตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาขององค์ใช่ไหมครับและผมไม่ได้งโง่แต่แปลก ประหลาดอย่างน่ากลัวอันนี้คือสิ่งที่ท่านกัมพูรีเขียนในสุวดีบทที่หนึ่ข้อหนึ่งถข้อสครับเราแปลกประหลาดอย่างน่ากลัวและพระเจ้าประกาศครับว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดีดีมากบทเพลงสิว ด, ดีหลายหลยบทก็บอกเราและทําให้เรามั่นใจว่าเราถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างเชี่ยวชาญเราถูกปั้นขึ้นมาเราถูกถักทอตั้งแต่อยู่ในคันมารดา ผู้เขียนสะุดดีก็คือกษัตว์ดาวิด ท, ท่านทรงเขา้าท่านเข้าใจว่าพระเจ้านั้นได้ทรงรู้จักเราแต่ละคนอย่างลึกซึ้งครับพระเจ้ารู้จักเราในทุกๆด้านของชีวิตและพระเจ้าตรวจสอบเราพระเจ้ารู้จักเราเมื่อเราลุกขึ้นนอนลงพระเจ้าทรงทราบ ป, ประองประจักษ์ในความคิดของเราได้แต่ไกลนั่นหมายความว่าความคิด ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนที่สุดแต่พระเจ้าก็รู้ครับแล้วพระเจ้ารู้ล่วงหน้าพระเจ้ารู้ตั้งแต่ไกลพระเจ้าได้ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ตอนที่เรารู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวพระเจ้าก็ล่วงรู้หมดทุกอย่างพระเจ้าคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พี่น้องครับคว่าคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นนี่นะครับก็คือเหมือนกับคุณพ่อที่ดูแลลูกนะครับรู้ว่า พอลูกออกอาการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรนะครับลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บพระองค์ก็รู้ว่ามันคืออะไรพี่น้องครับเราไม่เพียงแต่ถูกสร้างอย่างอัศจรรย์เท่านั้นการที่พระเยซูทรสงสิ้พระชนม์แมงเขนทําให้เราได้กลับสู่ความสัมพันธ์อันดีที่เราไม่เคยมีกับพระเจ้ามาก่อนพระวจนะพระเจ้าได้บอกว่า เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลรับเสด็จเรารับเสด็จพระเยซูอย่างไรบ้างเรารับเสด็จพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นหรือเปล่าบางคนก็อาจว่าผมก็รับเสด็จในแนวทางของผมคุณก็รับเสด็จในแนวทางของคุณอาจารย์ก็รับเสด็จในแนวทางของอาจารย์แล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่พระเยซูพอว์ไทย ที่จะได้รับจากเราในขณะที่พระองค์รับเสด็จเราให้เรารับเสด็จพระองค์มีสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสุตติปุนี้นะครับหนึ้ก็คือลักษณะของพระเจ้าสาคัญที่สุดครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราก็จะรู้จักวิธีรับเสด็จพระองค์อย่างที่ถูก เราก็จะรู้จักวิธีรับเสด็จพระองค์อย่างถูกต้องและพระศาสนาของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ชี้และกําหนดถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพราะว่าพระองค์จะไม่ทรงเป็นอย่างที่พระองค์เป็นไม่ได้เราคงจําได้นะครับบนภูเขาซีนายโมเสสเนี่ยได้พูดถามพระนามของพระเจ้าแล้วพระเจ้าตอบโมเสสว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นนั่นหมายความว่าเราไม่ สามารถเป็นอย่างที่เราไม่เป็นได้พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมีสามสิ่งครับในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องสามสิ่งนี้นะครับคือเริ่มต้นด้วยสอเสือนะครับสามสใช้คําว่าสามสอเพื่อที่ให้จดจําง่ายพลักษณะที่สําคัญที่สุดประการแรกนะครับสอแรกก็คือความสัมพันย์ยูของพระเจ้าความสัมพันญูนั้น แปลว่าผู้รู้ทั่วรู้รอบทุกสิ่งภาษาอังกฤษจชัดเว่า omniscience o m n i หรือ omnis นะครับแปลว่าทุกอย่าง all ค ำ, า ains, ค, คำว่า science นะครับหรือคาว่า science นะครับมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าความรู้พระเจ้านั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพการทรงสภาพของพระเจ้าเนี่ย คือรอบรู้ทุกสิ่งและคุณสมบัติของการรอบรู้ทุกสิ่งของพระเจ้านั้นทำให้พระเจ้านั้นมีความสูงสุดครับมีความสูงสุดอยู่ที่นั่นปรงทรงเป็นองค์ความรู้ที่เป็นความรู้แบบสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้แล้วฉะนั้นจึงทำให้พระเจ้านั้นสามารถครอบครองเหนือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามพระเจ้าต้องรอบรู้ทุกอย่าง แต่ความรอบรู้ของพระองค์นั้นไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นพระภาคใดก็ตามนะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรอบรู้ความสัพพันธ์อูของพระเจ้านั้นอยู่กับทั้งสามพระภาคทั้งหมดพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อยี่สิบทให้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสัพพันธ์อูนั้นทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งซึ่งตรงกับในข้อสองของสุภาษุดูดีบทที่หนึ่งร้ในสุดีบทที่หนึ่งร้ข้อที่สองได้กล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลและด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องครับเราจึงหนีพระองค์ไม่ได้เราจึงไม่มีอะไรที่จะปิดบังไว้ต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ได้ ทุกสิ่งที่วางอยู่ต่อหน้าพระเจ้านั้นอยู่ในความสว่างหมดพี่น้องครับอย่าลืมนะครับด้านมืดจะ ก, กลายเป็นด้านสว่างสำหรับพระเจ้าแล้วนนี้คือสิ่งที่พระองค์ไม่เพียงแต่รู้รายละเอียดในชีวิตของเราพระเจ้าทรงทราบว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรไม่ว่าเราจะนั่งลงหรือลุกขึ้นพระเจ้าทรงทราบแล้วพระเจ้าทราบ ถึงสิ่งต่างๆที่ล้อมรอบตัวเองด้วยไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่อนาคตพระเจ้าก็ทรงทราบจนทั้งสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระเจ้าก็ทรงทราบเพราะความเป็นสัพพันญูสอแรกของพระเจ้านั่นเองพระองค์ทรงรู้แม้กระทั่งความคิดนะครับทุกอย่างของเราแม้ก่อนที่เราจะพูดออกมาพระองค์ก็ทรงรู้พี่น้องครับความรู้ในเรื่องพระเจ้านี้ กษัตริย์วิทบอกว่าอัศจรรย์เหลือเกินความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข่าพระองค์เข้าใจข้าพระองค์เอื้อมไปไม่ถึงคิดยังไงก็ไม่สามารถเข้าใจได้และนี่คือความสัมพันญ์ยูของพระเจ้าพี่น้องครับหันกลับมาดูตัวเราในความเป็นจริงนั้นเราคงจะรู้จักตัวเองไม่ทั้งหมดหรอกครับชีวิตของเรานั้นเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน ชีวิตของเรานั้นเป็นกระบวนการที่เราจะต้องรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้ น, นเรื่อยๆนะครับเยเรมีกล่าวไว้ใน17ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมสามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขา ตามผลแห่งการกระทำของเขาพระกัมภีตอนนี้พูดชัดนะครับว่าใจของเราเนี่ยนะครับมันหลอกตัวเราเองได้หลอกคนอื่นไม่พอแต่ก็ยังหลอกตัวเราเองได้มันเสื่อมซามมากที่สุดก็อยู่ที่ใจนี่แหละครับใครจะรู้จักใจนั้นได้เล่านั่นหมายความว่าเราเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเราไม่รู้ใจครับรู้หน้าไม่มีทางรู้ใจ เพราะว่าใจเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเขาจะคิดยังไงกับเราเราไม่รู้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่ ม, จมใสนะครับในใจของเขาอาจจะเป็นใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งก็ได้พูดง่ายก็คือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ถึงใจคนอื่นแต่ยิ่งน่าเสียดายน่าสงสารมากกว่านั้นคือว่าคนที่ไม่รู้จักใจของตัวเองเพราะว่าจิตใจก็ล่อลวงตัวเอง หลายครั้งเราตกอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับว่าเราไม่รู้ตัวว่าใจของเราอารมณ์ของเรามันกำลังหลอกเราเราอาจจะสัมผัสถึงแรงผลักดันในตัวเราในสิ่งที่เราทำได้แต่ท่านหลายครับพระรัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อ ตอบสนองตอ่อทุกทุกคนตามการกระทาของเขาหลายครั้งเราคิดได้แต่ทำไม่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าหลายครั้งเราคิดไม่ดีแต่พระเจ้าก็ห้ามไว้ไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัดสินตามแรงจูงใจนะครับและตามพฤติการและผลของการกระทาของเราเพราะฉะนั้นหากว่าในเวลานี้นะครับจิตใจเราไม่ดีอธิษฐานสารภาพขอพระเจ้าหยิบยกจิตใจออกไป ที่ไม่ดีออกไปอย่าปล่อยให้มันขมวดปมสะสมจนกลายเป็นพฤติการแล้วมันเกิดผลของการการะทำออกมาอันนั้นและครับแก้ยากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราเป็นการนำไปใช้ในเรื่องของพระเจ้าทรงสัพพันอยูทั้งหลายครับไม่มีใครที่จะหลีกพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถ ปิดบังหรือปกปิดเราหนีพระเจ้าไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำตรงนี้ก็คือว่าเราควรจะหันกลับมาหาพระเจ้าและสารภาพความผิดบาปขอพระเจ้าตรวจตราใจของเราตรวจค้นดูใจของเราทดลองดูใจของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าใจขงเรานั้นมีความผิดพลาดตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนและขอการอภัยโทษจากพระเจ้า สิ่งที่น่าประหลาดมากที่สุดนะครับพระเจ้ารู้จักเราทุกอย่างความคิดของเราที่ดีและไม่ดีแต่ครับพระเจ้าปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับพวกเราเน so <t ics> ื่อง <g ulu> จากความบาปที่เรามีอยู่นั้นมันขวางกั้นความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้าฉะนั้นจึงต้องมีการเอาบาปนะครับที่เป็นตัวขวางกั้นนี้ออกไปเพื่อที่เราจะพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความสัพันธ์อยู่ของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของโปร่ง เพื่อที่เราจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องสังเกตดูนะครับจากมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาพระเจ้าได้ใช้สิ่งของอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกเขาปกปิดความบาปพวกเขาได้สร้างสิ่งของอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าสร้างสิ่งของอย่างหนึ่งพี่งคงจําได้ใช่ไหมครับอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกเนี่ยเวลาที่เขาทำบาป เขาเอาอะไรปกปิดร่างกายของตัวเองครับใบมะเดือ่อซึ่งใบมะเดื่อนั้นมันไม่ยั่งยืนใบมะเดื่อมันอาจจะเหี่ยวได้แล้วมันก็จะล่วงโรยไปนะครับแต่พระเจ้าได้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งและนาหนังสัตว์มาปกปิดร่างกายให้กับมนุษย์คู่แรกซึ่งปรากฏอยู่ในพรรมทัตมกากบทที่3ามข้อยีเครับพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อดัมและเอวาสวมปกปิดกาย สิ่งที่พระเจ้าทำกับมนุษย์คู่แรกนะครับพระองค์ก็ทำกับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันคือการส่งพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงฆ่านะครับลูกแกะก็คือพระเมสส์ประดกของพระเจ้าคือพระเยซูเพื่อที่จะให้ชีวิตของลูกแก่นั้นทดแทนชีวิตของพวกเราทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเราทั้งหลายเนืนไปการแรกนะครับพระเจ้าทรงสับพันยูประการที่สองครับ พระเจ้าทรงสถิตทั่วทุกหนแห่งสอที่สองครับสถิตทั่วทุกหนแห่งภาษาอังกฤษนะครับ omnis หรือ omni อแปลว่า all คือทั้งหมดคำว่า present มาจากภาษาลาตินนะครับคือ p r e s e n แปลว่าอยู่ต่อหน้าหรืออยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่า omnipresent มีความหมายว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตทั่วทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันครับ ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถอยู่ได้หลายเล่ห์แห่งหรือทุกแห่งในเวลาเดียวกันแม้แต่มาร์าตานมันก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณพระเจ้าทรงปรากฏอยู่เหนือและอยู่ในสรรพสิ่งทุกผนทุกแห่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันในบางครั้งพระองค์อาจจะทำพระราชกิจของพระองค์ในสถานการณ์หนึ่ง ในเวลาเดียวกันครับพระองค์ก็ทำพันธกิจของพระองค์ในอีกที่หนึ่งพัมพีเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงสามารถประทับอยู่ทั้งในบุคคลและลักษณะเปิดเผยหรือประทับอยู่ในทุกทุกแห่งทุกทุกสถานการณ์อย่างเปิดเผยได้ทุกเวลาเพรา ะ, ะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของคนเป็นล้านล้านคนอธิษฐานพร้อมๆกันได้ยังไง เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ทุกผลทุกแห่งมารซาตานนะครับดูเหมือนว่ามันจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนแต่พี่น้องครับความจํากัดมารซาตานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเป็นทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งที่กบฏต่อพระเจ้าเนื่องจากเขาไม่ใช่พระเจ้าการสื่อสารของเขาเนี่ยนะครับต้องอาศัยเมสเซนเจอร์เหมือนกันก็คือพักพวกของเขานะครับข่าวข่าวนําสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นข่าวสารทุกข่าวสารของมารซาตานเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางมันต้องมีระยะทางอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมดาเนียลนะครับพระธรรมดาเนียลก็ทําให้เราเห็นว่าการการสื่อสารของมารซาตานหรือสมุนของมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางประการที่สมครับส่อที่สในการเตรียมรับสเสด็จของพระเยซูเราเรา จะต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอํานาจอธิปไตยสูงสุดสอนี้นะครับใช้เขาเขาใช้คําว่าสรรพานุภาพสรรพานุภาพคืออะไรครับก็คืออานุภาพอํานาจของพระเจ้าอยู่เหนือสรรพสิ่งทุกอย่างเช่นกันครับออมนิสหรืออมนิแปลว่าออ l นะครับพ o t e n t ภาษาลาตินแปลว่า powerful ก็คืออํานาจอํานาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้า อำนาจทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงอำนาจของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเสมอโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดเป็นผู้ที่มีอำนาจอธิบไตยสูงสุดมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาและในทุกวิถีทางไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่มีอำนาจเหนือพระองค์ได้แล้วเรามาดูนะครับคนที่มีประสบการณ์ เลวร้วายอย่างโยบครับในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเขารู้จักพระเจ้าและความสัพพานุภาพของพระเจ้าโยบเขียนไว้ในบทที่42สองข้อในพระธรรมโยบบอกว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ไปมองเกตนนิดีนะครับข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้มีความหมายว่า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เลยคนเราเนี่ยนะครับจะประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่นหมายความว่ากระทพระเจ้ากระทำทุกสิ่งได้ตามที่ชอบพระทัยของพระองค์แม้ว่าจะไม่ถูกใจเราก็ตามหลายครั้งทีเดียวนะครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงสัพพันยู่นะครับพระเจ้าทรงสรรพานุภาพ เราก็เลยไม่ค่อยไว้วางใจพระเจ้าเท่าที่เราควรจะไว้วางใจเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรเราไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงช่วยคนที่รักพระองค์ในที่สุดแล้วจะเกิดผลดีในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มัวมองแต่ความลําบากทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นขณะนี้ขณะนี้ขณะ น, นี้แต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีได้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ดีที่ดิ้หมุนจะแย่แย่ให้กลาย เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่รักพระองค์ได้เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆทําให้เราไม่เชื่อพระองค์ไม่ไว้วางใจพระองค์อย่างที่ควรจะเป็นโยบหลังจากที่เขาได้พบกับความทุกข์ยากลําบากนะครับพระเจ้าให้เขามองท้องฟ้ามองสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งบนแผ่นดินโลกและในหมหาสมุทร พระเจ้าถามว่าเลวีอาธานเนี่ยมีใครสามารถลากมันขึ้นมาจากทะเลไหมเลวีอาธานนะครับนักวิชาการสมัยนี้ก็เรียกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเลวีอาธานเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยโบราณในสมัยของโยบเพียงแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับในสมัยของโยบเนี่ยเรียกไดโนเสาร์ว่าเลวีอาธานในสมัยเราเรียกไดโนเสาร์ว่า เป็นไดโนเสาร์ al, นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วเราพบในพระธรรมโยบครับว่าไดโนเสาร์ในยุคปัจจุบันที่เราเรียกนะครับโยบเนี่ยเห็นด้วยกตาเห็นด้วยกตานะครับเห็นแกตานะครับแสดงว่าโยบเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์นะครับดังนั้นเองโยบจึงไม่ได้มีชีวิตอยู่เมื่อล้านล้านล้านปีก่อนแต่โยบเนี่ยเห็นไดโนเสาร์พระเจ้าให้โยบนะครับ เห็นไดโดเสาแล้วบอกว่าลากมันขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างมันหางของมันเนี่ยเหมือนกับต้นสุงปากของมันเวลาคำรามออกมาเหมือนกับมีไฟแลบออกมานี่คือสิ่งที่พระธรรมโยบเขียนบรรยายถึงเลวีอาทานยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในที่สุดแล้วโยบยอมรับว่าพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่งได้แม้ว่าขณะนั้นนะครับแม้ว่าขณะนั้นเนี่ย โยบยังไม่ได้ไปถึงจุดที่ในที่สุดพระเจ้าฟื้นนะครับรือฟื้นและบูรณะในสิ่งที่เขาเคยมีนะครับกลับคืนสู่สภาพดีพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับเรามองไม่ทะลุอ่านแผนการของพระองค์ไม่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือเชื่อและศรัทธา ไว้วางใจพระองค์ครับโยบยอมรับพระเจ้าทรงมีอำนาจทุกอย่างเพื่อทำตามแผนการของพระองค์โมเสสก็เหมือนกันเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับโมเสสประจักษ์ว่าพระเจ้าทรงสรรพานุภาพทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์ไปถึงความสำเร็จพระเจ้าตอบโมเสสครับพระเจ้าตอบว่าพระหัตของเราสั้นเกินไปหรือ ที่จะช่วยไม่ได้ตอนนี้เจ้าจะเห็นหรือไม่ว่าสิ่งที่เราพูดจะเป็นจริงสาหรับเจ้าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับโมเสสครับพระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่สูญเสียไปเลยพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อโยบที่มีต่อโมเสสก็จะเป็นเช่นเดียวกับเราครับน้ำมันไทยของพระเจ้าจะไม่หดหู่ไปเลยในชีวิตของเราพี่น้องอาเ ม, มนนีครับพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รู้หมดทุกอย่าง สถิตทั่วทุกแห่งขนและทรงอนุภาพอันนาอำนาจทัพิไตยสูงสุดเรานะครับต้องการสร้างอะไรเนี่ยเราต้องมีวัสดุเราต้องมอีเครื่องมือในการสร้างแต่พระเจ้าเพียงแต่แค่ตรัสเท่านั้นมันก็เกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะว่า out of nothing ไม่มีอะไรเลยนะครับสร้างจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นสิ่งที่มี เพียงแค่ตรัสเท่านั้นพี่น้องครับเสด็จดีบทที่าิก็หกก็ยืนยันในสิ่งที่ผมได้แบ่งปันไปก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์คือพระเจ้าพูดอย่างเดียวพระยาตรัสอย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีนะครับกลายเป็นสิ่งที่มีพระเจ้าทรงมีอานาจทุกอย่างครับทรงขยายขอบเขตไปถึงรัฐบาล ไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองไปถึงผู้นำที่พระเจ้าตั้งให้อยู่ในตำแหน่งหรือปล่อยให้เป็นไปตามทางของเขาหรือบังคับบัญชาเขาควบคุมเขาให้เป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เพรา่ครับเหมือนถึงตรงนี้นะครับทาให้เราหลายคนเนี่ยมีคำถามผู้นำที่ทรราชรัฐบาลที่ไม่ดีพระเจ้าตั้งขึ้นมาหรือเปล่า คำตอบคือพระเจ้าตั้งขึ้นมาครับแต่เนื่องจากความบาปที่อยู่ในตัวของเขาความไม่ดีความชั่วร้ายที่อยู่ตัวของเขานั้นเขามีเยอะมากจนกระทั่งเขาไม่สามารถควบคุมได้มโนธรรมของเขานั้นแตกออกความดีที่เขาเคยมีอยู่นั้นก็หายไปพระเจ้าก็ใช้วิธีการต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นฟาโร พระเจ้าใช้โมเสสมาเตือนฟาโรห์โดยที่การให้เขามีภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่ประการแรกประการที่สองภัยพิบัติที่สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบในที่สุดพระเจ้าก็ปล่อยให้ฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้างคนที่ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าพระเจ้าปล่อยเขาแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องอธิษฐานขออย่าให้พระเจ้าปล่อยเรา ขอให้เราจะต้องเซนสิทีฟหรือมีความไวต่อการกลับใจใหม่ขอให้เราจะต้องเป็นคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่ฟังเสียงของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการากฟังคําเทศนาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการตักเตือนการเตือนสติของพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้ครับคนที่เป็นคนของพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเขาจะได้ยินเสียงแบบนี้เสมอเสมอ พระเจ้าบังเกิดเป็นเนื้อหนังเราทั้งหลายเตรียมรับเสด็จพระองค์คําถามของผมก็เหมือนกับคําถามแรกครับว่าเรารับเสด็จพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นหรือเปล่าเรารับเสด็จพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงสัพพัญยูเราให้เกียรติพระองค์มากเท่าที่พระองค์ทรงเป็นหรือเปล่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสรรพานุภาพมีอํานาจสูงสุด พระเจ้าทรงสถิตทั่วทุกแห่งหนเราจะนับเสด็จพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นหรือเปล่าพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูคลิป3นาทีนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับก็ถูกส่งไปตาม l ล n e บ้างนะครับ Facebook บ้างนะครับก็คือความอัศจรรย์ที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา ความอัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ในทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับเมื่อเราคิดเนี่ยในสมองของเราเนี่ยมีปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเกิดถึงแสนครั้งด้วยกันประมาณแสนครั้งด้วยกันนะในหนึ่งเมื่ีที่เราคิดเรอพูดเนี่ยมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแสนครั้งมีหนึ่งหมื่นล้านเซลล์สมองที่ใช้ในการจดจำ สิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่เราเห็นลู ก, กตาของเราเป็นความมหัศจรรย์ในการทรงสร้างจอรับภาพที่เรยียกว่าเลติเ น, น่าในตาของเราเนี่ยนะครับมีเซลล์นะครับอัดแน่นกันถึงสชั้นมีจำนวนเซลล์เนี่ยประมาณ100รล้านเซลล์ที่ใช้รับแสงหนึ่งล้านเซลล์ที่ใช้รับแสงนะครับลู ก, กตาเราเนี่ยและน้ำตาครับ น้ำตาที่ไหลออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกนะครับกับน้ําตาที่ไหลออกมาตอนมีผงเข้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมเ พ, พ, พิ่งทราบนะฮะถามว่าทําไมไม่เหมือนกันครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าน้ําตาที่ไหลออกตาตอนเคืองตาที่มีผงเข้าตาเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าสารที่ฆ่าเชื้อครับมีโปรตีนที่สามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคมากกว่า น้ำตาที่ไหลออกตอนร้องไห้ถึง24ชนิดหมายความว่าอะไครับหมายความว่าถ้าผงเข้าตาเราเนี่ยนะครับน้าตาเราจะลูกตาเราเนี่ยจะผลิตน้ําตาชนิดพิเศษคือค่าเชื้อโรคได้กับน้ําตาตอนที่เราร้องไห้ไม่เหมือนกันนะครับน้ําตาที่เราร้องไห้เนะครับมีสารเคมีหรือโปรตีนเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่ามีลิตการค่าเชื้อโรคที่น้อยกว่าไม่เพียงแต่เท่านั้น ผิวหนังของเรานะครับหนึ่งตารางนิ้วมีต่อมเหงื่อถึง625ย้ต่อมมีเส้นเลือดฝอยรวมกันนะครับในหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยรวมกันมาต่อกันนะคยาวถึง19ฟุตและมีเซลล์รับความรู้สึกเกือบสองห0เซลล์ในหนึ่งตารางนิ้วของของผิวหนังเรากระเพาะ อ, อาหารครับกระเพาะ อ, อาหารนี้มีต่อมบรรจุน้ำย่อยถึง35ล้านต่อมหลังน้ำย่อยและมีกระบวนการการป้องกันกระเพาะ ไม่ให้น้ำย่อยย่อยตัวเองนะการออกกำลังกายครับร่างกายมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเห็นได้จากถ้าเราขี่จักรยานนะถ้าเราขี่จักรยานเป็นระยะทางนะครับความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะกินพลังงานประมาณ 3-400 แคลอรี่เทียบเท่ากับน้ำมัน3ช้อนโต๊ะ 3มช้อนโต้ะนะครับวิ่งได้นะครับ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราใช้รถนะครับสมช้อนโต้นี่วิ่งได้นิดเดียวใช่ไหมครับแต่ร่างกายเราอัศาจรรย์มากเลยมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมหัวใจของเรานะเต้นวันละหนึ่งแสสา่นครั้งสูบฉีดร่างกายสูบฉีดเลือดไปไกลถึง25ล้านกิโลเมตรต่อวันอากาศที่เราหายใจนั้นฟรีครับ แต่ถ้าเราคิดค่าออกซิเจนใน ICU นะครับก็คงจะเป็นเงินมากมายมหาศาลสุดท้ายครับสารพันธุ ก, กรรมที่เรียกว่า DNA นั้นบรรจุข้อมูลถึงสองหมื่นล้านบิตพี่น้องที่เป็นวัยรุ่นนะครับก็คงจะรู้ว่าบิตนี่มันคืออะไรเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเทียบกับหนังสือในห้องสมุดขนาดกลางขนาดปกตินะครับ สารพันธุกรรมของเราเนี่ยมีเรียกว่าความละเอียดมากกว่าหนังสือตวอัวอักษรทุกตัวอักษรในห้องสมุดรวมกันพี่น้องครับอยากจะให้ดูคลิปต่อไปนี้นะครับ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 และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกโพนแม้ถึงที่นั่นพระหัตของพระองค์จะนำข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้พี่น้องครับเราเป็นใครครับที่พระเจ้าจะรักเราขนาดนี้และพระหัตของพระองค์จะ ย, ยึดเราไว้ไม่ปล่อยเราการสอบสนองของเราน่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพัมพีต่อไปนี้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 และอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมเราควรจะรับสเสด็จโดยการสารภาพบาปยอมจำนนและการถวไวตัวเราควรจะรับสเสด็จโดยการกลับใจใหม่ตั้งใจกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราควรจะรับสเสด็จ โดยดำเนินชีวิตที่โปร่งใสชอบธรรมอาเมน